สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทห ร, รคุณชอบเล่าจากที่ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับเสือสมิงกับประสบการณ์การพบเจอจากผู้แชร์จากข้อมูลต่างๆที่ผมได้หามาคลิปนี้ผมก็จะขอเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวตำนานหรือบริบทเกี่ยวกับความเชื่อที่เกี่ยวกับสมิงบ้างนะครับท่ามกลางป่าลึกในอดีตของเมืองไทยที่ยังอุดมด้วยสิ่งสาราสัตว์และธรรมชาติมากนั้นมักมีเรื่องเล่าลึกลับเกี่ยวกับอาถรรพ์ของป่าเชื่อกันว่า ทุกป่ามีเจ้าป่าและเจ้าเขาคอยคุ้มครองชาวบ้านผรานป่าหรือนักเดินไพรคนไหนไม่เคารพเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็มักจะถูกอาถรรพ์ป่าเล่นงานเรื่องเสือสมิงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าแห่งป่าที่หลายๆคนก็เคยได้ยินเคยผ่านหูกันมาบ้างโดยเชื่อว่าเสือสมิงนั้นเป็นผีไพรหรือผีที่สิงสถิตยอยู่ตามป่าเขานับเป็นตำนานผีไทยพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเพียงแต่ว่า มีความแตกต่างปรากฏในร่างของสัตว์เจ้าป่าพจนานุกรมฉบับบันฑิต ร, ราชสถานพศ2542ให้ความหมายคำว่าสมิงคือเสือที่เชื่อว่าเดิมเป็นคนที่มีวิชาอาคมแก่กล้าแล้วต่อมาสามารถจำแรงร่างกลายเป็นเสือได้หรือเสือที่กินคนามากๆเข้าไปเชื่อว่าวิญญาณของคนตายก็ไปเข้าสิงต่อมาก็สามารถจาแรงร่างกลายเป็นคนได้นอกจากนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งความเชื่อหลัก ให้ความหมายของเสือสมิงว่าเป็นเสือที่กินคนเข้าไปมากมายจนมีวิญญาณของผีใต้หงสิงสู่อยู่วันดีคืนดีจะแปลงร่างมาหลอกคนที่เดินทางไปในป่าเพื่อจับกินเป็นอาหารโดยมักจะแปลงตนมาเป็นคนที่บาดเจ็บหรือแม่กระสาวชาวป่าหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่รู้จักกันตามให้กลับบ้านเพื่อหลอกล่อให้เหยื่อหลงกลและอีกในหนึ่งก็คือพวกที่มีวิชาอาคมแก่กล้าแต่ไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ของเข้าตัวกลายเป็นเสือสมิง เสือสมิงพวกนี้เรียกว่าสมิงอาคมเรื่องราวของเสือสมิงนั้นหลากหลายจากหลายๆพื้นที่และนี่ก็คือเรื่องราวเด่นๆของเสือสมิงที่ผมจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับเรื่องแรกเล่าขานว่าชาวบ้านทางภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนเพราะมีเสือเข้ามาทําร้ายคนในหมู่บ้านเป็นที่หวาดกลัวแก่ชาวบ้านมากจึงได้ไปขอความคุ้มครองจากทหารหน่วยต่อชด อ, อเพื่อเข้ามาดูแลความสงบปลอดภัยในหมู่บ้าน ทหารจิงส่งกําลังไปคุ้มครองและได้ออกล่าเสือตัวนั้นในคืนวันหนึ่งต่ชอชะโดได้จัดกําลังออกตัวส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือนอนพักบนศาลาที่จัดไว้กลางดึกคืนนั้นศาลาที่หน่วยต่ชอชะโดพักนั้นก็ได้สั่นไหวโยกเอ็งผิดปกติเมื่อทหารลุกขึ้นมาดูก็เห็นเสือโคร่งขนาดใหญ่พิงสีตัวอยู่ที่เสาของศาลาเหล่าทหารจิงยิงปืนใส่เสือโคร่งตัวนั้นทําให้เสือตัวนั้นบาดเจ็บและหนีหายไปในความมืด พอรุ่งเช้าทหารจึงติดตามแกะรอยเลือดเสือตัวนั้นไปปรากฏว่ารอยเลือดนั้นไปสิ้นสุดที่หลุมเนินดินแห่งหนึ่งเมื่อทหารขุดหลุมเปิดเนินดินออกก็พบศพผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านแต่แต่แปลกประหลาดที่ร่างกายท่อนล่างของเขาเป็นร่างกายของเสือหลายพาดกรอนจากการสอบถามชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าสาเหตุนี้ก็เพราะว่าเพราะผิดผีจึงได้กลายเป็นเสือสมิงนี่ก็คือเรื่องแรก แล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับทุ่งใหญ่นเรศวรอีกเรื่องหนึ่งของเสือสมิงเล่ากันว่ามีผานป่าคนนึงซึ่งอดีตเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าตั้งใจว่าจะไปนั่งห้างสงสัตว์ที่ทุ่งใหญ่นเรศวรก็จะเข้าป่าไปก็สั่งเมียไว้ว่าจะเข้าป่าสักสามวันไม่ต้องเข้าไปตามจากนั้นก็เก็บสัมภาระที่จําเป็นเข้าไปค้างแรมในป่าในค่าคืนแรกผ่านไปได้ด้วยดีได้เห็นสัตว์มากมายออกหากินตามปงดินแต่ในคืนที่สองบรรยากาศเริ่มแปลกไป ฟ้ามืดสนิทและเงียบผิดปกติพอตกดึกจึงได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่ข้างล่างจากนั้นก็ได้ยินเสียงเมียของตัวเองร้องเรียกเมื่อมองลงไปจึงเห็นเมียถือตะเกียงเจ้าพายุมาร้องเรียกอยู่บอกว่าลูกไม่สบายตัวร้อนจัดจึงเข้ามาตามเพื่อจะได้ให้กลับบ้านไปดูลูกผานป่าได้เห็นอย่างนั้นก็เลยทําท่าว่าจะลงจากห้างเพื่อลงไปหาแต่เกิดเอกใจว่าทำไมเมียถึงรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้และทําไมถึงกล้าหารเข้ามาในป่าลึกกลางดึกอย่างนี้ โดยไม่กลัวสิงสาราศัตว์นอกนั้นเวลาพูดก็จะไม่ยอมศใสายตาตรงๆอีกทั้งหากเดินมาจากบ้านน้ำมันตะเกียงก็น่าจะหมดแล้วแต่ทำไมถึงสว่างอยู่ได้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจหันปากระบอกปืนส่งไปให้เมียและพูดว่ารับปืนทีพี่จะลงไปแล้วพอเมียยื่นมือจะรับเ่านั้นเขาก็ลั่นไกยิงทันทีจากนั้นก็ได้ยินเสียงคารามของเสือแล้ววิ่งหนีหายไปในแนวป่าลึกรุ่งเช้าพรานจึงตัดสินใจกลับบ้าน และได้เดินเข้าไปสำรวจแนวป่าลึกที่ได้ยินเสียงเสือวิ่งหนีเข้าไปเมื่อคืนจึงได้เห็นเสือลายพาดกรอนขนาดใหญ่นอนตายอยู่และเมื่อกลับไปถึงบ้านก็เห็นลูกและเมียอยู่อย่างปะกะติสุขและนี่ก็นับเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าเหลือเชื่อเกี่ยวกับเสือสมิงส่วนเรื่องความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงกับเสือสมิงเล่ากันว่าเสือสมิงตามความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงนั้นเชื่อกันว่าเป็นผีป่าผีเจ้าเขาหรือพระภูมิเจ้าที่ที่ดูแลรักษาปกป้องป่าจึงมีความเชื่อและข้อปฏิบัติว่วา ห้ามล่าสัตว์หรือไปตั้งห้างบริเวณที่เป็นปงซึ่งเป็นแหล่งที่เป็นที่ชุมนุมของสัตว์ป่าและเสือสมิงมักจะแปลงตัวเป็นผู้หญิงโดยเฉพาะเป็นเมียเข้าไปตามถึงในป่าบอกว่าลูกป่วยไข้ให้กลับบ้านอย่างเรื่องที่ผ่านมาเมื่อคนไม่ยอมหลงกลลงไปหาก็จะกลับมาใหม่พร้อมด้วยคนอีกสี่คนหามคานใส่ศพของลูกหรือศพเมียบ้างก็มีมีบางคนยิงปืนลงไปใส่กลุ่มนั้นเช้ามาเมื่อลงไปจากห้าง ก็จะพบว่ามีรอยเท้าของเสือขนาดใหญ่เพ่นผ่านอยู่บริเวณนั้นและมีความเชื่อที่ว่าคน4ี่คนที่เห็นว่าหามคานมานั้นก็คือขาทั้ง4ของเสือนั่นเองนี่ก็เป็นตำนานคร่าวๆที่ผมไม่ได้ข้อมูลและหามาเล่าให้ฟังนะครับยังมีอีกหลายเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเสือสมิงที่ฟังได้ไม่รู้เบื่อไว้ผมจะหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ